ความเงียบเกิดขึ้ น, นชั่วครันนะ่ะทั้งคิดและเชิดบุษเงือแตกซึมไม่มีใครมีบาดแผลอะไรมากไปกว่ารอยช้ำเขียวแถวเบ้าตาและหนูแก้มคนละเล็กละน้อยนี่พวกคุณอะเอาไว้งานสำคัญเสร็จซะก่อนถ้าใครอยากจะฟาดปากกับใครผมจะไม่ยุ่งด้วยเลยแต่ตอนนี้อมแรงไว้ดีกว่าครับ เขาบอกให้ทราบไว้ด้วยว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะต้องเดินหนักกันอย่างไม่เคยพบมาก่อนถ้าหากทั้งสองคนนี้ยังไม่หายมันมือมันเท้าก็กเอาผมัปนกรสอบซายแทนดีกว่าครับอย่ามาปะทากันเองเลยนะใครอยากต่อยต่อยมาที่ผมใครอยากเตะก็เตะมาที่ผมผมยอยย่อยไม่ต่อยเตะฟรีรบะ รพินไพรวันประกาศขึ้นขึ้ม ข, ขึคำพูดของเขาทำให้ทั้งคิดและเชิดบูธบังเกิดความละอายใจจนไม่กล้าที่จะมีปฏิกิริยาอะไรอีกหมดอาการฮึดฮัดไปในทันทีรพินผมต้องขอโทษแทนสองคนนี้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาขวานลางไว้ทันลำพังพวกผมห้ามเจ้าสองคนนี้ไม่อยู่รก มีนำซ้ำลูกน้องคุณทั้งหลายก็กลับเห็นเป็นเรื่องสนุกด็อกเตอร์สแตนลีย์เอ่ยขึ้นพร้อมกระถอนหายใจยาวผมก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณที่ปล่อยให้นักมวยรุ่นเฮเวิทนี้ได้ลองกำลังกันตัวต่อตั ว, ตวโดยไม่มีพวกคุณคนใดเข้ามารุมพวกคุณอเมริกันสี่คนส่วนเชิดวุฒิคนไทยคนเดียว หัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ลืมตาโพล่งร้องลั่นออกมารุ้งเลอทำไมผมหรือฝ่ายผมจะต้องทําอย่างนั้นด้วยล่ะพินคิดกูจะเลือดร้อนพอๆกันถ้าเขาจะบ้าเขาก็บ้ากันเฉพาะสองคนพวกเราไม่มีใครบ้าด้วยหรอกนอกจากจะห้าคนบ้าแต่เราก็ไม่สามารถจะทําได้ไอ้จะอาศัยลูกน้องคุณก็ไม่ได้เลยตากเพนเป็นเรื่องสนุก ไม่มีคุณสักคนเดียวอยย่ชิบหายผมคุมจะพวกนี้ไม่ได้เลยรวมทั้งคนฝ่ายผมด้วยประโยคหลังด็อเตอร์สไตลีบอกอย่างหัวเสียเป็นพระเอกขีมากขาวมาช่วยแก้สนับสถานการณ์ไว้ได้ทันน่น่ะดีแล้วคุณก็ททำไมถึงจะต้องพูดอะไรเน็บแนมมิม่งยามน้ำใจพวกเราอยู่ตลอดเวลามิสเตอร์ไพวัน เบนร้องเสียงแหลมต่อมากต่อว่ามาอีกคนระพินยกมือขึ้นบบกเอาละเอาละเลิกกันทีแล้วผมก็จะไม่ถามนะว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมาใช้กำลังกันอย่างป่าเถื่อนแบบนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือตอนนี้นะผมหิวแล้วครับที่มานี่ก็จะมาขออาหารกินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินทางต่อครับอ้าวคุณถ้าไม่ถามก็ต้องบอกนะ บอกให้รู้ซสด้วยในฐานะที่คุณเป็นคนไทยพวกเดียวกันแม้ว่าเขาจะมากับเราในครั้งแรกก็ตามทีอิสเบนเสียงแหวกหลอนโกรธเชิดบุตมากที่อยู่ๆก็เห็นไปเพื่อนสาวของหลอนแม้จะไม่รุนแรงนะักแต่หลอนก็เห็นว่าเขาหยาบคายม่งในนั่งน่ะหลอนชี้มือไปที่เชิดบุตรผู้ยืนกอดอกอยู่ ถูกอะไรมาก็ไม่รู้สิคริสตอุสาเรียกไปใส่ยาให้เห็นคุยกันซุบซิบซุซิบได้ครูเดียวเขาก็ลุกขึ้นเตะคริส ต, ตรงไปนอนตะแคงหน้าตาเฉยแล้วก็เดินออกไปจับเต็นพวกเราทุกคนะเห็นกันหมดคิดก็วิ่งตามไปกระชากไหลแล้วก็เลยเกิดต่อยกันขึ้นซึ่งอย่าว่าแต่คิดเลยคุณถึงชั้นน่ะเป็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันก็ยังอยากจะปันหน้าในนั่นเหมือนกันแม่นั่นก็ดีเหลือใจ ถูกก็ไต่ลงไปนอนก็นเงียบเฉยไม่พูดไม่ร้องอะไรสักคำสามตาสองคนนี่ต่อยกันยังลุกขึ้นนั่งเท้าคางดูสบายใจเฉกอิสเบลนพูดรัวเร็วหรือนี่หุบปากสะทีเบเรื่องอื่นนะคุณฟ้องรับพินได้ก็ทำไมคุณไม่บอกความจริงให้หมดล่ะใบเจ้าขี้มันต่อยผมก่อนเชิอกบุเถียงเบ า, บา ก็ น, นายทำร้ายคริสทำไมอ่ะทำอย่างปาเถื่อนกับขลาที่สุดอ่ะคิดพ่นพูดมาบ้างโอ้ยโอ้บอว่าก็โลกอีกละรับพินครางอยู่ในใจได้จะมองหน้าคิดเชิดบุตรอิสเบลและคริสตินา่าเรียงไปตามลำดับบุคคลเช่นนั้นนี่คุณ ความจริงอผมมีหน้าที่เป็นเพียงมักคุเทศนำทางเท่านั้นนะคุณผมไม่ได้เป็นตุลาการที่จะมาชี้ขาดอะไรให้แกพวกคุณได้ในเรื่องนี้คนที่จะทำหน้าที่ดีที่สุดก็คือหัวหน้าคณะของพวกคุณคือด็อร์สแตนลีผมนั่นไม่อยากรับทราบเรื่องราวเลยแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างพูดกันมาแล้วก็อา้าขอฟังเรื่องราวให้ตลอดหน่อยสิ ด็อกเตครับไอ้ที่เกิดเรื่องขึ้นนี่นะมันมันไรกันครับหัวหน้ า, นาคณะครงศีรษะชา้าๆจุปากอยู่เช่นนั้นสามคนที่รายงานคุณมาแล้วนั่นแหละเป็นความจริงถูกต้องเลยกันทั้งนั้นนะคุณเพียงแต่ว่าต่ลกคนนะ่ะไม่ได้ให้ความจริงแก่คุณโดยตลอดเท่านั้นอยู่ๆโดยที่เราก็ไม่รู้เหตุรู้ผลนลยนะ เชิวุฒก็เตะคริสจริงแล้วก็เดินออกไปคิตก็วิ่งตามออกไปแล้วก็เป็นฝ่ายต่อยวุฒก่อนจริงเหมือนกันคราวนี้ก็เหลือแต่เพียงผู้เสียหายหรือเจ้าทุกคนเดียวเท่า น, นั้นแหละที่นับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมายังไม่ยอมพูดอะไรซักคนเดียวนั่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่นั่นว่าแล้วสเต ล, ลีก็บุยปากไปทางแม่ผมเท่า คราวนี้ทุกสายตาก็มองจับไปที่คริสติน่าเป็นตาเดียวแม่แต่ระพินซึ่งแม้เขาจะไม่รู้อะไรละเอียดแต่ก็ระหนักความในระแคะระคายพื้นฐานของเรื่องมาก่อนบ้างแล้วเว้นแต่จะแท้งทำเป็นไม่รู้เท่านั้นคริสติน่านิ่งเฉย อ, อยู่ตามเดิมเป็นทองไม่รู้ร้อนจริงๆอย่างที่สแตนลีย์พูดซ้ำยังควักบุหรี่ออกมาจุดสู เชิดพูดจริงว่าผมน่ะไม่ได้เตะคริสหรอกก็เพียงแต่เดินสะดุดถูกตะพกคคริสล้มตะแคงลงไปหน่อยเดียวเท่านั้นพวกนี้ก็โวยวายหาว่าผมทำร้ายคริสอไม่เชื่อก็ล้องถาม่อนดูดิเมื่อนั้นคริสติน่าจึงลุกขึ้นเดินเข้ามากลางวงของบุคคลเหล่านั้นเอาเราละ ท่านสูบบุรุษที่ไม่สุภาพทั้งหลายไอเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะล้วนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปทั้งนั้นแหละจริงๆเชิดบุธก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรฉันหรอกเขาก็เพียงแต่ซุ่มซ่ามลุกขึ้นก็เดินพรวดออกไปจะไปไหนก็ไม่รู้คงจะรีบด่วนมากมั้งก็เลยสะดุดจนล้มลงแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดขอโทษบางเงินทุกคนก็หันมาเห็นก็พอดีก็เลยเข้าใจว่าเขาเตะฉันอาจารย์ เบรแล้วก็คิดคงจะทั้งตกใจแล้วก็โกรธมากคงจะคิดว่าเชิดวุธททำร้ายฉันต่อหน้าคิดก็ตามเข้าไปกระชากแล้วก็ต่อยวุธเรื่องมันก็เลยต้องวางมวยกันนั่นหล่อนก็หันมาเผชิญหน้ารบพินทั้งยิงไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับคุณสักนิดเดียวนี่นายพลาที่คุณจะต้องเข้ามาห้ามเขา ฉันน่ะอยากดูสองคนนี้ต่อยกันมานานแล้วเพราะเห็นได้แต่ขยับท่าไม่เคยฟาดกันจริงสักทีก็เพิ่งจะมาคราวนี้ละคุณความจริงคุณควรใจเขาต่อยกันต่อไปนะมาแยกเขาออกไปเซฟทำใหม่นี่น่ะเป็นมวยที่ได้ขนาดเหมาะสมกันที่สุดแล้วนะคุณแต่แม่ต่อยเหยแย่มากไปหน่อยตะบันกันอยู่ได้นานสองนานก่อนคุณจะโผล่มาเห็นบ้างไหม ว่ามีใครหน้าตายแหกหรือมีเลือดบ้างสักจุดมวยคู่นี้น่ะความจริงสมควรจะถูกโห่ไล่ลงจากเวทีเพราะเป็นมวยอู้ไม่ได้ต่อยกันจริงหรอกเพราะถ ต, ต่อยกันจริงอะปานนี้ได้เลือดไปแล้วเหมือนตอนที่คิดต่อยกับคุณครั้งแรกไงสแตนลีย้าปากหววเบลทานออกมาเฮคริส hey, คิดกระพริบตาปริป หน้าหรือหราไปหมดส่วนเชิดบุตรซ่อนยิงมระพินไม่พูดอะไรอีกเหมือนกันหันไปคว้าคอบุญคําได้ก็กอดไว้พูดดังๆ ว, ว่าไปวุ้ยตะคําหมดหน้าที่ของเราแล้วไปกินข้าวของเรากันเองดีกว่าแล้ ว, ลวเขากับบุญคําก็เดินผ่ะไปอย่างง่ายๆตรงไปยังลูกหาบที่กระจายเป็นกลุ่มๆ ก, กินอาหารกันอยู่ และไม่ว่าสไต ล, ลีจะให้ใครในกลุ่มของตนมาเชิญเขาให้ไปร่วมอาหารเช้าด้วยกันรพินก็ปฏิเสธหมดสิน้นแม้กระทั่งตัวหัวหน้าคณะเองจะลงทุนเดินมาที่เขารพินก็ยังคงร่วมกินอาหารเร็วๆมื้อพอประทังชีวิตกับคนของเขาโดยขอตัวไม่ไปร่วมด้วยนี่รพินคุณโกรธอะไรพวกเราเหรอ หหน้าคณะถามอย่างกังวลรพินยิ้มเลื่นเลียดสันศีสั่ตามนี้ครับผมมีเหตุผลอะไรที่จะต้องกรบเพียงแต่ว่าไม่เดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางแล้วขอให้ผมสอบถามาอะไรโซกาเลท่ที่ร่วมอยู่นี่หน่อยเอาไว้เสร็จเวลาอาหารแล้วผมจะไปร่วมด้วยครับรพินบอกพร้อมพยักหน้าไปทางนายบ้านห้วยเสือร้อง ที่มาร่วมกินอาหารอยู่ในกลุ่มของพวกเขาด้วยเมื่อสุดที่จะดึงตัวให้ไปร่วมด้วยได้อเมริกันอุโสก็จำเป็นต้องอนุโลมแต่กำชับว่ารพินหลังอาหารแล้วพบพวกเราด่วนเลยนะเราควรจะหารือกันก่อนอย่างน้อยก็ยี่สิบนาทีก่อนออกเดินทางครับเขารับคำ97 เช้าวันนี้จึงดูเหมือนจะเป็นวันแรกที่ระพินยแยกตัวออกจากกลุ่มนายจ้างอเมริกันมากินอาหารอยู่กับคนฝ่ายเขาเองโดยเฉพาะปล่อยให้อเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตรอันเป็นคณะเดียวกันอยู่แล้วเสวนากันไปตามลำพังซึ่งก็สังเกตเห็นว่าคนเหล่านั้นปกติเรียบร้อยดีไม่มีข้าวหรือว่แววอะไรเลยว่าก่อนเวลาอาหารเล็กน้อยได้เกิดเรื่องกันขึ้น พรเข้ากับพวกนั้นได้ดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรจะต้องห่วงจะมีก็แต่เขาเท่านั้นที่ยุ่งยากลําบากใจไปสารพัดไหนจะงานเสี่ยงตายในอนาคตข้างหน้าอันเต็มไปด้วยทุรเข็งยากแค้นไหนจะต้องมายุ่งอยู่กับเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบเหล่านั้นนอกเหนือไปจากงานเฉพาะหน้าแล้วไหนจะต้องทุกโตรมที่ต้องพลัพลดพรากจากความรักที่อยู่เบื้องหลัง มันสมประดังประเดชนจนหัวใจที่เคยแกรงประดุดเหล็กเพชรแทบจะหลอมละลายจะหลีกเลี่ยงบายเบียงชนไหนได้นอกจากกัดฟันก้มหน้าก้มตาทนไปตามกรรมเก่าลูกน้องใกล้ชิดทั้งสี่คนก็ไม่มีใครที่จะหยั่งซึ้งจิตใจภายในของเขาดีได้เท่ากับบุญคำชาววันนี้แกเคร่งขึงไปเช่นกัน ได้แต่คอยจับสังเกตอาการเจ้านายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยห้ามปรามไม่ให้เจ้าพวกพรานรุ่นหนุ่มทะลึ่งขนองปากมากกันนะักนายน่ะกําลังมีทุกข์เพิ่มขึ้นทุกวันพวกเองก็อย่ามาคิดคักกันนี้มันมากนักเลยไอ้จันก็แกวหัวหงอกใชเปล่าพ่อยเป็นไปก็ไอ้พวกนี้ด้วยจันพลอยถูกหางเลยพรานเท่าลูกพี่ชี้หน้าดาเอา มันเฮให้มันสนุกรื่นเริงกันเข้าไว้มันจะได้มีแรงทำงานระพินบอกเข้าเขตนรกดำเมื่อไหรแล้วก็ได้รู้สึกกันมั่งไอ้พวกฝรั่งทั้งหลายจันว่าแค่ไม่เกินสิบนาทีหลังจากนั้นเชิดพุธก็เดินดุมดุมออกมาจากแค้มของฝ่ายนายจ้างตรงมาที่เขา ก็อาจเป็นได้ในข้อที่ว่าตามหลั ก, กจิตวิทยาแล้วในภาวะขุนมัวของระพินเช่นนี้ดอกเตอร์สแตนลีหัวหน้าคณะคงพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าจะให้ใครมาดึงตัวระพินไปก็คงไม่เหมาะสมทักเชิดพุทซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเพราะอย่างน้อยเขาก็อาจจะมีความรักไว้วางใจและเอ็นดูเชิดวุอยู่บ้างสาหรับแม่มสาวสวยสองคนของคณะ ตอนนี้ดูจะไร้ความหมายซะและ้วเพราะตอนที่มาเชิญไปร่วมอาหารเชา้าเขาตะเพิดทั้งสองกลับไปอย่างหมดความเกรงใจยิงนายคีตหมอนั้นยิงไม่กล้ากลัวเจอมวยไทยที่เคยเข็ดเคียวมาแล้วทุกคนในคณะรู้ดีว่าเช้า ว, วันนี้พรานนำทางอารมณ์หงุดหงิดที่สุดภายใต้การวางเฉยสงบราบขาบของเขาพอเดินเข้ามาถึง และรพินเหลือบตาขึ้นมองนาทหารหนุ่มรุ่นน้องก็ยิ้มแห่งแห้งบอกเสียงอ่อยๆมาว่า <_ S 1> พี่ผมขอโทษนะพี่ถ้าผมเป็นต้นเหตุให้พี่ต้องหัวเสียเช้าวันนี้เ <_ S 1> ชิด ว, วุฒเปลี่ยนสัพพนานในการที่เคยเรียกชื่อเขาเป็นการเรียกพี่อย่างสนิทปากไม่มีอะไรอ่ะสบายใจได้คุณวุธ แค่คุณต่อยกับขีดน่ะมันเรื่องเล็กผมกลัวแต่ว่าเรื่องมันจะลุกลามไปใหญ่โตเกิดคุณบาดเจ็บมากหรือใครคนใดคนหนึ่งของพวกนั้นน่ะมันรุงคุณผมก็จะทนอยู่ไม่ได้และรือฉิบหายมันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องเดินทางกันอีกแล้วไอ้จีกลัวก็กลัวอยู่แค่นี้แหละนายทหารรุ่นน้องหัวรอแหย่อยู่เช่นนั้นโูพี่คงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับพี่ ไอ้คีตกับผมนะ่ะมันรู้เส้นกันดียังมากก็ไตากันเล่นคนละตบสองตบเท่านั้นแหละไม่มีใครกล้ามารุมสกรมผมพี่ตอนนี้ก็ดีกันเหมือนเดิมแล้วพี่กินข้าวเสร็จหรือยังหัวหน้าใหญ่ก็มาเชิญพี่ไปพบนะ่ะเอาเอาไปไปไประพินใคไรวันลุกขึ้นยืนภายหลังกรอกน้ำจากกระบอกใส่ปากไปสองอึกทั้งสองเดินไปด้วยกัน แต่เชิดพุธพยายามรั้งแขนระพินไว้ให้เดินช้าๆเพื่อหาโอกาสช่วงสั้นๆนี้คุยด้วยเดี๋ยวพี่อย่าจำเร็วนักสิผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังพันตรีหนุ่มกระซิบสำคัญมากไหมคุณอีกฝ่ายยิ้มแย่แมันมันก็ไม่สำคัญอะไรนักหรอกพี่ไอ้เรื่องบ้าๆที่มันเกิดแตะกี้นี่ย ผมมาเตะคริสจริงอะทนหม่นไส้ยังไม่ไหวสารภาพตามตรงอ่ะพี่จอมพราน ย, ยิ้มให้นิดนึงผมก็หวางนั้นเพียงแต่ไม่สามารถเดาต้นเหตุของการหม่นไส้ของคุณได้เท่านั้นเชิด ว, วุฒิเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อครู่นี้ระหว่างเขากับคริสให้รพินฟังตามจริงอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบังเลยแล้วก็สรุปท้ายว่า นี่พี่ผมน่ะไม่เข้าใจเลยนะทำไมคริสถึงต้องใส่ร้ายพี่ผมฟังแบบนี้เหมือนจะเป็นการวางยากันอย่างนั้นแหละคุณบุตรไม่ใช่ใส่ร้ายผมหรือวางยาอะไรหรอกคุณพรานใหญ่พูดเรียบเรียกความจริงอล่อนต้องการทดสอบไอคิวคุณใช่มากกว่ารวมทั้งต้องการดูปฏิกิริยาคุณด้วยเพราะรู้ว่าคุณน่ะรักรหล่อนมาก อีกอย่างนึ้งก็คงจะหมันไส้แล้วก็รำคาญคุณเหมือนกันที่อุตสาห์ไปถามหล่อนในทํานองว่าเมื่อคุณลาะมาแล้วระหว่างหล่อนกับผมน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยแกล้งใช้คำพูดมันบาดใจคุณเล่นยังไงนี่ไงสัดโดยบาทาใช่หมอบ ก, กระไตไปเลยเ่ะตามเสียงที่พวกนั้นว่าก็ไม่ถึงการุนแรงอะไรอยังงั้นหรอกพี่ก็แค่ัดเล่นหยอกๆเท่านั้น ทีนีคริสนะเขานั่งอยู่ก่อนแล้วก็เลยเอนล้มลงไปอย่างง่ายๆไม่ใช่ว่าผมเตะล้มทั้งยืนเมื่อไหร่ความรู้สึกของผมตอนนั้นน่ะมันมันบอกไม่ถูกนะพี่มันทั้งเกลียดทั้งรักอเอาบุหรีจห่จี้ผมเงี้ยเอามีดจอก็เดือดขึ้นมาคร่อมอยู่บนอกนี้ก็เลยเตะสังสอนไงใช่ไหมยังน้อยจะได้สำนึกมั่ง ผู้ชายไทยนะไม่ใจะผู้ชายชนิดที่ผู้หญิงจะมาสันแดงอำนาจคงคูอยู่เหนือได้คุณก็ไม่เลวนักหรอกนะถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นนะพี่ผมน่ะรักแล้วก็นับถือพี่มากที่สุดนะแล้วไหนๆก็ขอฝากตัวเป็นน้องแล้วผมขอปรึกษาพี่สักนิดเถ อ, อะ่ะว่ามาเลยมีอะไรเขาโอบแขนรอบไหล่เชิดบุ พี่ว่าผมคิดผิดหรือถูกเนี่ที่ไปรักคริสเขาคุณแน่ใจเหรอผมคิดว่าผมแน่ใจนะพี่อ่ะถ้างั้นก็เห็นใจนะคริสนจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกซึ้งมากที่สุดคนหนึ่งแต่ลอนก็เป็นคนที่มีอันตรายมากสำหรับผู้ชายที่ไปรักหล่อนทุกคนอ่ะคุณเชืวว่อดูถอนใจนิดนึง อนี้ผมก็พอรู้ว่าพี่แต่พี่ไม่ตอบตรงคำถามผมนี่คำถามเหรอคำถามอะไรพี่ผมรักกร่อนแล้วก็แต่งงานกัหล่อนได้ไหมพี่เอาละคุณพุธผมก็รักแล้วก็เป็นห่วงคุณเหมือนน้องชายคนหนึ่งเหมือนกันนะ ทำแนะนำมีสั้นๆอย่างนี้คือฟักเฮบัตเลิฟเฮนนอตนายทหารหนุ่มสะดุ้งโหยงในคำพูดสั้นๆประโยคหลังของเขาเอา้าทำไมล่ะพี่คุณวุฒคริสกังเป็นโรคจิตนะคุณ จะฆ่าหรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อคุณเมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดก็ตามที่คุณยังไม่สามารถจะเยียวยารักษาโรคจิตวิปริดของหลอนให้หายขาดไปได้ผมยังไม่แน่ใจว่าอาการชนิดนี้จะเกิดขึ้นจากพยาธิทางจิตหรือทางอารมณ์กันแน่ถ้าคุณทราบประวัติการเป็นมาแท้จริงของไลล่าอามิเตตคุณจะขนหัวลุกชัน ทำเปรียบเทียบที่ว่าภูเขาไฟที่ปกคลุมด้วยหิมะมันเป็นความจริงสำหรับรายนี้คุณรู้จักหล่อนมาก่อนก็จริงแต่เชื่อเถอะว่าตั้งแต่มาเดินป่าอยู่ด้วยกันนี่ผมรู้จักหล่อนลึกซึ้งกว่าคุณแน่อถ้างั้นก็แปลว่าไม่ใช่คุณบุฒิอย่าเข้าใจผิด ผมไม่เคยมีอะไรกับคริสแต่ผมศึกษาเรียนรู้มาใต้ชีดพอสมควรเบนาล่าผมฟังว่าแท้จริงนะคริสติน่าเป็นใครและเจ้าตัวเองก็เคยสารภาพความจริงกับผมโอ้เชิดบุดครางหน้าเศร้าลงกระซิบบอกตามตรงแล้วแล้วผมจะทำยังไงอะพี่ มันถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนะพี่คุณบุษอย่าคิดวางแผนการอะไรไกลนักทำอย่างผมอย่างที่ผมบอกแล้วกันฟักถ้ามีโอกาสแต่อย่ารักหรือทุ่มเทจิตใจให้ทั้งหมดนานๆต่อไปในเส้นทางนี้คุณจะมองเห็นแก่นแท้แล้วอาจ ถอนตัวได้เองผู้หญิงประเภทนี้เป็นผู้หญิงสายลับด้วยสายลับของชาติมหาอำนาจคุณอย่าไปคิดการไกลอะไรจนถึงขั้นแต่งงานอยู่กินเป็นสามีพัญญาผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งฐานะเขาเหมือนคุณไม่มีผิดคือเป็นนายทหารยศพันตรีแล้วก็มาเจอแหม่มนักถัจจุภัยคนหนึ่งเข้าในป่า ในที่สุดเขาก็รักผู้หญิงคนนั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงต่างชาติคนนั้นนะเป็นนักล่าสัตว์ธรรมดาไม่มีพันธะผูกพันอะไรกับใครไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังแล้วสุขภาพทางจิตก็ปกติในที่สุดเขาทั้งสองก็แต่งงานอยู่ร่วมกันได้แต่สำหรับคุณกัคริสเนะี่ไม่ใช่กรณีอย่างที่ผมพูดมาแล้ว ผมรู้ว่าคริสเป็นคนสวยจัดซ้ำยังมีสนเสน่ห์ผิดกับอเมริกันหรือพวกยุโรปทั้งหลายการไปติดอยู่ใต้ถ้ำเมื่อคืนวานของคุณกัหลอนก็ยิ่งจะสร้างความประทับใจสำหรับคุณแต่ขอให้รู้ไว้เถอครับหลอนจะเป็นได้เฉพาะเพื่อนผู้ร่วมพจนไทภัยเท่านั้นแหละเชื่อออกด้วยว่าอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้น คุณพอเอาหล่อนเป็นเพื่อนตายได้แต่หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะฝากชีวิตครอบครัวไว้ด้วยถ้าไม่ตายซะทำงานเสร็จครั้งนี้หล่อนก็ไปตามทางของหล่อนคุณก็ไปตามทางของคุณอย่าไปหวังอะไรอีกเลยเอาเป็นว่าขณะที่ยังบุกบัน่นฟันฝ่าอยู่ด้วยกันในป่านี่ โอกาสเมื่อไหร่ก็จัดการก็แล้วกันระวังตัวเองเอาหน่อยแล้วกันนี่ผมไม่เคยคิดที่จะตัวเตือนคุณแบบนี้เลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าเหมือนกับน้องชายคนหนะึ่งขอบคุณครับพี่ขอบคุณอย่างจริงใจครับนี่เป็นคําเตือนที่มีคุณค่าสําหรับผมที่สุดผมจะพยายามปฏิบัติตัวและใจของผมให้ได้ตามที่พี่แนะนําครับ แต่พี่จะเชื่อผมมั่งไหมถ้าผมจะบอกอะไรพี่สักอย่างผมเดาสิ่งที่คุณจะบอกไม่ถูกะ่ะเชิดวุธทำเป็นรองเท้าหลวมจะหลุดแล้วสุดตัวลงนั่งกับพื้นถอดบูธข้างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งตรวจสายเชือกเพื่อทวงเวลาหาโอกาสพูดกับระพินเนื่องจากระยะที่เดินกันมานั้นใกล้จะถึงบริเวณที่พักของอเมริกันทั้งสี่ ซึ่งขณะนี้ก็สังเกตเห็นการเดินมาด้วยกันของทั้งสองอยู่เขารู้ดีว่าถ้าเข้าไปรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่โอกาสที่จะพูดกัอะไรกัรบรพินเป็นส่วนตัวเห็นจะยากจอมรานก็รู้เชิงหยุดหันไปดูเชิดวุฒิจัดการเชือกรองเท้าคอมแบตแล้วก็รอคอย่ คริสจะมีความรู้สึกกับพี่เกินเลยกว่าชอบนะพี่ผมหมายถึงว่าเขาแอบรักพี่เงียบเงียบพี่อาจรู้แล้วก็ได้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยจะสนใจด้วยสีหน้าขึงเงียบตามปกติธรรมชาติของเขารพินพูดว่าคุณวุฒิผมมองไม่เห็นตัวเองเลยนะ ว่ามีอะไรที่คริสจะต้องมาให้ความสนใจกับผมถึงขนาดนั้นโธ่เชื่อผมเ่อะพี่พี่มีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าลงได้เดินป่าด้วยกันแบบนี้ล่ะผมว่าผู้หญิงทุกคนน่ะประทับใจพี่หมดอะขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังรักพี่เลยพี่น่ะมีอะไรอยู่ในตัวในบุคลิกในน้ำใจผมบอกไม่ถูกอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ในป่า นั่นสิแล้วพออยู่ในเมืองหรืออยู่ในแดนซีวไลผมก็คงเหมือนไอ้ควายตัวหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมเขาต่อคคำพูดของเชิดบุตรสวนควันมาทันทีพร้อมกับยิ้มอย่างคืนคืนบุตรคุณอย่าไปสนใจเลยผมเองก็ไม่สนใจเหมือนกันหัวใจของผมนะ่ะปิดประตูลั่นดานสนิทแล้วในเรื่องนี้ นี่หนำซ้ำสภาวะทางร่างกายของผมมันก็เกือบจะเรียกได้ว่าตายด้านผมรู้ฐานะสภาพของตัวเองดีว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่ดิ้นรนกระเสือกสนพี่ตอนที่พี่ไล่ผมไม่กลับมาตอนนั้นน่ะคริสพยายามให้โอกาสกั่พี่มากที่สุดใช่ไหมนี่ผมไม่ได้หลอกถามพี่นะเรารู้จิตใจกันดีอยู่แล้ว เอาไปว่าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยพี่จอมพรานซุดตัวลงช่วยผูกเชือกรองเท้าให้เชิดบุตรนี่บุตรคริสติน่าจะเป็นผู้หญิงประเภทไหนมีเบื้องหลังเป็นมายังไงก็ตามแต่คุณก็ไม่ควรจะมองหล่อนในด้านต่ำเกินไปนักนะในเรื่องชนิดนี้นะคริสไม่เคยแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ทำอย่างนั้นด้วยคุณ กนนี่ยังไงล่ะสเสน่หของพี่ที่ผู้หญิงทุกคนใกล้ชิดจะต้องไม่มองผ่านสิงนั้นก็คือปกป้องให้แต่ผู้หญิงเสมอในด้านเกียรติยศชื่อเสียงจะไม่ประนามติเตียนหรือเอาความลับของผู้หญิงคนไหนมาเผยอย่างเด็ดขาดแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนรังเกียจหรอกกินได้สนิทนะกินได้นานแล้วก็ตลอดไป เออผมเห็นจะต้องเอาอย่างพี่มั่งแล้วในเรื่องนี้อถ้างั้นก็เริ่มต้นได้แล้วบุตรไปเตดกันอยู่ในถ้ำใต้ภูเขานั่นคืนเดียวพอกลับมารวมกันแล้วกับพวกคุณก็แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคริสซะละสายตาอื่นจะสังเกตเห็นได้นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยนะแล้วผู้หญิงเขาไม่ชอบด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอย่างคริส เชิบุดยิ้มจับมือระพินบีบแน่นอย่างรักใคร่เคารพตกลงพี่ผมจะเปลี่ยนท่าทีใช่ไหมไอ้ผมนี่มันนั่งจริงๆด้วยคริสเขาอาจไม่ชอบหน้าผมก็ตรงที่พี่บอกนี่แหละท่าทีของหล่อนที่แสดงต่อผมนะมันต่างกันฟ้ากับดินขณะที่เราอยู่กันตามลำพังสองต่อสองในถ้ำใต้ภูเขานั่นกับขณะที่กลับมาพบพวกพ้องพร้อมหน้ากัน ต่อไปนี้ผมจะทำให้เหมือนเดิมพี่รบพินขยิบตาให้นิดหนึ่งใช่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็อยา่าเผลอปากกับใครแม้กระทั่งบุญคำจะคุยเล่นตลกขนองอะไรกับแกะก็ได้แต่อย่าทำอะไรกับใครลงไปแล้วแต่ถ้าทำอะไรกับใครลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเบลหรือ ค, คริสจาไว้นะอย่าปริปากกับใคร เป็นอันขาดแม้ว่าจะถูกหลอกถามสักแค่ไหนพร้อมกับพูดสุภาพบุรุษไพรหิ้วไหลเชิดบุตรขึ้นแล้วทั้งสองก็ยุติเรื่องราวที่พูดกันลงเพียงแค่นั้นเดินตรงเข้าไปในบริเวณกระโจมผักอารมณ์ดีขึ้นแล้วยังเพื่อนยากคิดร้องทักมาอย่างคนเปิดเผยพลังหัวเราะเสียงดัง โ, ฮ โ, ฮโฮ จอมพลานยิ้มให้มันมีอะไรหวังว่าทุกอย่างทางด้านนี้คงเรียบร้อยดีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคริสคำหลังเขาหันมาทักคริสติน่าหล่อนยิ้มตอบด้วยอาการปกติไม่สอร่องรอยใดๆทั้งสิ้นแต่พูดมาอย่างชวนคิดว่านี่ถ้าคราวหลังรองเท้าของฉันบังเอิญหลุดในขณะเดินทางคุณช่วยผูกเชือกให้เหมือนอย่างที่ทำให้เชิดบุตก็จะดีมากนะ ไม่ต้องห่วงครับผมยินดีบริการให้พวกคุณเสมอเท่าที่จะทำได้ทีเดียวไงนะวิทยุเครื่องใหญ่เป็นไงบ้างเช้าวันนี้โอ้ยอย่าไปถามถึงมันเลยเวิทยุนรกเครื่องนี้หัวหน้าคณะสมุทเอาฝ่ามือหนาๆตบโครมลงไปตามปกติแล้วก็ไอ้เครื่องชนิดนี้แหละที่เราเคยติดต่อได้แม้แต่ยานอวากาศซึ่งห่างไกลออกไปตั้งแสนแสนไมล์ แต่พอมาเดินป่าภายใต้การนำของคุณนี่ความสูงของสถานีลอยที่ควบคุมการเดินทางของเราถ้าดานมันเพียงแสนสองหมื่นฟุตเท่านั้นมันก็ทำท่าจะฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้พวกที่อยู่เหนือหัวพวกเราในขณะ น, นี้ก็ยังค้นพิกดที่อยู่แท้จริงของเรายังไม่ได้แน่ชัดได้ยำจริงตรงกันข้ามวิทยุมือถือที่ใช้ในระดับพื้นราบตอบใช้การติดต่อกันได้ดี สุดาวแมนรพินนั่งลงท่ามกลางวงล้อมของคนกลุ่มนั้นทันทีและเริ่มต้นการหารือจากแผนที่ซึ่งเป็นของฝ่ายนายจ้างและชั่วไม่นานเขาอักก็อธิบายให้ทราบว่าจะต้องบายหน้าไปทางด้านไหนผ่านภูมิประเทศประเภทใดบ้างคำนวณให้ทราบพอคร่าวๆรายละเอียดนั้นมีอย่างไรก็สุดแล้วแต่ภูมิประเทศและเหตุการเฉพาะหน้า ซึ่งจะหารือกันเป็นครั้งครไปตัวดูตามแนวทางของแผนที่นั้นเขาก็รู้สึกสังหรณ์บูบขึ้นมาในทันทีว่ามันน่าจะบ่ายหน้าไปทางเทือกพระศิวะแดนสนทยาอันลี้ลับที่เคยผ่านมาแล้วชนิดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสแตนลีย์ขีดเส้นบางๆไปตามเส้นทางนั้นอย่างชัดๆ แล้วก็กากระบาดไว้ตรงตำแหน่งนึงพร้อมก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่การติดต่อกับบีห้าสิบสองลำนั้นขาดหายไปด็กเตอร์ครับผมขอทราบรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับถ้าพวกคุณไม่รังเกียจได้รับพินเราจะตอบคุณทุกอย่างเท่าที่เรารู้ทันทีไม่มีอะไรจะต้องปิดบังทั้งสิ้น เพราะการนำทางเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่รู้ละเอียดก็เท่ากับว่าเราสกัดกัน้นการเดินทางค้นหาเสเองนั่นแหละมาถามมาได้เลยแล้วพินไม่ต้องเกรงใจการติดต่อครั้งสุดท้ายที่คุณว่า น, น, นักบินหรือพนักงานวิทยุบนเครื่องเขารายงานอะไรบ้างก็เป็นการรายงานตามธรรมดาของนักบินนั่นแหละว่าขณะนี้อยู่ในเส้น แลติจูดลองกิจูดที่เท่าไรความสูงแค่ไหนจะบ่ายหน้าไปทางไหนและหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยแล้วอบังคับการบินมาทราบเมื่อไหร่ครับว่าเครื่องบินลำนั้นติดต่ออีกไม่ได้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะ่ะนะขอบังคับการบินเรียกแต่เราไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยจุดหมายปลายทางที่เครื่องจะลง รอสักเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏให้พบเห็นสอบค้นกันยังไงก็ไม่พบว่าเครื่องไปลงที่ใดเราจึงแน่ใจว่าการสูญหายอยู่ในระหว่าง30นาทีของเส้นทางนี่แหละผู้ตอบในครั้งนี้คือคะแนนคิดซึ่งบัดนี้กลายเป็นการเป็นงานขึ้นแล้วเออคิดและระหว่างบินและรายงานไม่มีอะไรผิดปกติเลยเอ่ะ นักบินไม่ได้รายงานถึงเครื่องขัดข้องหรืออื่นๆที่ปกติไปใช่ไหมไม่มีแล้วนักบินน่ะเขาบินอยู่ในระดับไหนล่ะกดสุดเพดานบินของบ5ห้าสิบสองอะนะในระหว่างภารกิจรับสุดยอดนี่ไปคิดกันบ้างเหรอว่าพวกเขาพ้นบรรยากาศของเพดานบินตามปกติหลุดออกนอกโลกไปลงที่ดาวอังคารหรือดาวพุธแล้ว อย่าพูดเล่นน่าระพินสเตลีบอ่อย่ อ, อยมาต้นทางที่ไหนและปลายทางที่ไหนพอจะบอกได้ไหมตรงนี้นะสุดความสามารถของเราจริงๆตรงนี้เราไม่ทราบคิดขยี้ปลายจมูกอุบอิดมามีฐานขีปนาวุธลับและแหล่งสะสมระเบิดนิวเคลียร์อยู่แถวแถวชายแดนจีนตอนใต้ หรือไม่ก็ทิเบตใช่ไหมโดยการตกลงเป็นความลับทางทหารกับเจ้าของแผ่นดิ น, น, นเพื่อใช้เป็นฐานต่อต้านหรือทำลายถ่วงดุนโซเวียตทางด้านภาค พ, พื้นเอเซียนี่นระพินฉันว่าคุณซักเราเหมือนไม่ใช่พรานนำทางใช่แล้วแต่เหมือนพวก k g จีบะคริสติน่าติงขึ้นเบาๆอ๋อขอไปครับผมอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปหน่อย ผมก น, นไม่ใช่ K G B หรือ A B C D E F อะไรหรอกเพราะพวกคุณเปิดโอกาสให้ถามก็เลยพลาดไปงั้นเองเอาละไทยหลังขาดการติดต่อและสงสัยว่าเครื่องจะตกในบริเวณดังกล่าวนี่การค้นหาทางอากาศก็ได้ทำทันทีถูกต้องไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นทีนะเพราะพวกคุณก็เจ้าอากาศอยู่แล้วนี่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากันนิวเคลียสิตแมกกาซินที่ติด อ, อยู่ในเครื่องใช่ไหม กันทั้งสิ่งมีสีหน้าอึดอัดไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมาเจออมคุเทสนำทางผู้มีอดีตเป็นนักการทหารเก่าพวกเขาต้องการเฉพาะผู้นำทางเท่านั้นไม่ต้องการผู้รู้ในด้านวิชาทหารแผนยุทธศาสตร์หรือการเมืองเลยใช่เราค้นหาทันทีเหมือนกันสตาลีตอบมาอย่างระมัดระวงังและเสียไม่ได้ ใช้เครื่องที่สามารถควบคุมความเร็วได้ต่าที่สุดและถ้าจำเป็นก็สามารถหย่อนตัวเองลงไปในแนวตั้งช้าๆเพื่อถึงพื้นได้เช่นเดียวกับคอปเตอร์แต่เราก็ไม่พบอะไรนอกจากป่าทึบกระพูเขาของดงดิบไม่มีวิแววร่องรอยของการตกเลยดอตอร์ครับเป็นไปได้ไหมครับที่เครื่องบีห้าลำนั้นะ นักบินทั้งหมดรวมหัวกันบ่ายหน้าออกนอกทิศทางตามคําสั่งที่ได้รับตัดไปทางไซบีเรียแล้วก็ร่อนลงไปในแดนของสหภาพโซเวียตเอาทั้งเครื่องทั้งระเบิดไปขายให้กับพวกนั้นแบบเดียวกับที่นักบินโซเวียตเคยเอามิกแหกนอกเส้นทางไปขายความลับให้กับพวกคุณโดยนำลงที่ญี่ปุ่นมาแล้วรักพินแกล้งยั่วหน้าตาเฉยต่อมา อเมริกันทั้งสี่มองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวแล้วหัวหน้าคณะก็สั่นศีรษะช้าๆบอกมาเสียงต่ำๆว่าน้เป็นไปไม่ได้ผมรู้นะรพินว่าคุณนักแกล้งยั่วล้อเลียนพวกเราอ่ะก็ผมมีอารมณ์ขันบางทีดอกเตอร์เพราะมันตึงเครียดเหลือเกินในสิ่งที่เรากำลังวางแผนหารือกันอยู่นี่ เขาพูดพร้อมทั้งหัวเราะเบาๆทานใดนั้นอะไรชนิดหนึ่งจากมือของคริสติน่าก็ลอยแปะมาตกลงหน้าตักของเขาก้มลงดูเห็นเป็นหมากฝรั่งเลิกคิ้วเหมือนจะถามเจ้าของผู้โยนก็บอกมาว่า RELAX คิวช้าๆแล้วช่วยเราค่อยๆคิดก็ได้ไม่ต้องเร่งด่วนนะ บางทีมันจะทำให้คุณผ่อนคลายอารมณ์เกรียดชงังและวาจาที่กระทบกระเทียดเสียดสีหลอกด่าเราอย่างสุภาพแต่เจ็บแสบลงได้บ้างพรายใหญ่หยิบหมากฝรั่งสีสันประหลาดกล่องนั้นออกมาแกะเทใส่ฝ่ามือสองเม็ดเดาะขึ้นลงช้าๆแล้วแกล้งเอียงหน้าเข้าไปกระซิบดังๆกระเชิดบุษบัเนี่คุณ คนรู้ทันแบบนี้นะผมเกลียดพี่ลึกแล้วก็มองหน้าผู้โยนมาให้ถามว่าหมากฝรั่งแน่นะคุณไม่มีอะไรปนมานะคริสติน่ายักษ์ไหลก็ไม่แน่นะักอาจจะมีตัวยาพิเศษพอเคี้ยวเข้าไปทำให้คนตายด้านเย็นกระด้างยังกระหินบนหลุมศพมีความต้องการขึ้นมา ชนิดปีนขึ้นต้นไม้ไปสมสู่กระลิงตัวเมียก็ได้ระพินเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งตะแคงคอและโยนหมากฝรั่งทั้งสองเม็ดเข้าปากเคี้ยวช้าๆปากก็บอกว่าครับหลายครั้งที่ผมเคยอยากจะสมสู่กสัตว์ป่าตัวเมียทุก ป, ประเภทขณะที่เดินป่าอยู่นานๆเพราะความกดดันทวีขึ้นสูงแต่ผมก็ไม่เคยทาได้สาเร็จเลย พระสัตว์ป่านะั้นมันดูร้ายมากอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์มันจะไม่ยอมแม้แต่สัตว์ป่าตัวผู้ประเภทเดียวกับมันผิดกระสับมนุษย์ที่ไม่เลือกฤดูกาลสถานที่จะหนาวจะร้อนใบไม้ร่วงใบไม้ผลิบนฟูกกลางดินกลางทรายในน้าเหนือพื้นหินบนเครื่องบินใต้ถ้บาดาลได้ทั้งนั้น นี่คุณปากของคุณน่ยร้กาดยิ่งกว่าลูกรายเฟิลหรือมีดโบวีที่คุณใช้ทำมาหากินอยู่สิไม่ต้องนับกัดรอกเพียงแต่วาจาแต่ละประโยชก็สามารถฉีกทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เป็นชินช้นชิ้นเชิดบุษสูตรปากลั่นอย่างอร็จอร่อยโอ้โหสซ่บกหลีกันดีแต่เด้อนี่มันพริกกับเกลือเลยนะเนี่ยเสด็จเสดาวสดาลวุ่ง รพินยกมือยอมแพ้เขาจะหนักมานานแล้วคริสติน่านักคมรากามีดโกนไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรอีกบอกให้ด็อเตอร์สเตนลีย์และคิดรอสักครู่ตัวเองเดินไปที่ย่ามหลังอันวางอยู่ไม่ห่างตัวนักเปิดออกครู่เดียวก็ล้วงเอาลายแทงเก่าแก่ของมังมหานราธาขึ้นมาวางเทียบพิจารณากับแผนที่สากลของฝ่ายอเมริกัน โดยเทียบจากจุดห้วยเสือร้องก่อนทำมุมทาาแผนที่ทั้งสองให้อยู่ในแนวทางเดียวกันแม้จะมีขนาดแตกต่างกันก็ตามพวกนั้นเข้ามามุงดูอย่างไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นและยังไม่มีใครปริปากถามอะไรขึ้นจากจุดทาาอันเดียวกันคือห้วยเสือร้อง เทียบระหว่างแผนที่ยุคใหม่กับลายแทงโบราณที่เขาเคยใช้ในการติดตามหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริปในครั้งนั้นและนำติดตัวมาด้วยอัตราเปรียบเทียบส่วนใช้คำนวณเอาด้วยสายตาและการคาดคะเนแล้วรพินไพร์วันก็ยังนิ่งอึ้งไปนานมือหนึ่งลูบคลำอยู่ที่ปลายคางอันคลึ้มไปด้วยคราวซึ่งไม่พบมีดโกนมาหลายวัน ตำแหน่งที่ด็อเตอร์สเตลีกากระบาดไว้อันหมายถึงเครื่องขาดการติดต่อไปมันควรจะอยู่ตรงบริเวณเทือกเขานิลการนั่นเองห่างออกไปอีกไม่ไกลนะักถ้าจะเปรียบเทียบกับอัตราความเร็วของเครื่องบิน B-52 ลำนั้นก็คือเทือกมหาบรรพ์ใหญ่ทะ ย, ย, ยานเยี่ยมฟ้าขวางเป็นกำแพงกั้นโลกอยู่และนั่น คือเทือกพระศิวะมรกฎนครอาณาจักรในแดนสนธยาของแงาซายหรือจักรราชแห่งราชวงศ์สุริยเทพระพินเหมอมองตะลึงอยู่ตรงตำแหน่งเทือกพระศิวะอันยากที่มนุษย์เดินดินหรือบินไปในอากาศด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะไปถึงได้และจะโดยอุปท า, านหรืออะไรก็บอกไม่ถูก ในห่วงตะลึงจ้องเข้าภาววงนั้นใบหน้าหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏแซกขึ้นมาบนลายแทงนั้นพร้อมกับรอยยิ้มเห็นฟันขาวมาถึครับผู้ผก่อจ ง, จงมาตามนี้ครับรับ นมิแท้อีกหนึ่งรอคอยผู้กองอยู่ทีถ้าผู้กองไม่สิ้นลงปราณไปสะ ก, ก่อนมาถึงครับผู้กองจงมาตามนี้ครับชรอยจะเห็นเขานิ่งตะลึงจ้องลายแทงนั้นค้างผิด สังเกตไปสไตลีจึงวางมือลงบนไหลอาการชนิดนั้นเองปลุกภาวังอันลอยห่างไกลตัวของระพินให้กลับมาทันทีในลักษณะสะดุ้งเขาสะบัดหน้าแรงๆสองสามครั้งใช้มือทั้งสองแตะกดที่เปลือกตาแล้วลืมขึ้นอีกครั้งพยายามทำกิริยาให้ปกติราบคาบที่สุดทำไม เป็นนายไปหรือเปล่าราบินอิสเบลเอ่ยถามขึ้นเป็นประโยคแรกจ้องหน้าเขาเขมิงลักษณะของหลอนไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นห่วงทางด้านสุขภาพเพราะถือวิสาสะเอื้อมมือมาแตะที่ซอกคอเขาตรวจหาอุณหภูมิในร่างกายเปล่าเปล่าเปล่าไม่เป็นไรหรอกเบรทพานใหญ่รีบปฏิเสธโดยเร็วหัวเราะกลบเกลื่น ผมกำลังตรวจพิจารณาเปรียบเทียบรไรบางอย่างอะ่ะไอ้ที่คุณเอามากางทาบกับแผนที่ของเราอะ่ะมันเป็นแผนที่อะไรกระพินหัวหน้าคณะถามขึ้นอย่างสงสัยทุกคนมองจ้องไปยังแผนที่โบราณของมังมหานราธาเป็นตาเดียวนี่เป็นลายแทงเก่าแก่ตั้ง400กว่าปีมาแล้วนะครับด็กเตอร์ มันไม่ใช่แผนที่หรอกแต่ลักษณะมันก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละครับแผนที่น่จะเขียนแสดงบอกตาแหน่งแห่งที่ตามภูมิศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนเท่าที่ผู้ทำแผนที่จะสามารถได้โดยกำหนดเส้นรุ้งเส้ น, สนแวงและอัตรา ย, ย่อส่วนเป็นสเกลให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้โดยสะดวกแต่ลายแทงกเป็นแผนที่ของคนโบราณที่ไม่เข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ เขาจะเขียนขึ้นตามภาพสายตาและความรู้สึกนึกคิดเท่าที่แลเห็นในขณะนั้นบางทีมันก็ประกอบกับบรรยากาศและการเวลาขณะที่เขาเขียนนั้นด้วยแผนที่ถ้าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนจะใช้ได้สะดวกแล้วก็เที่ยงตรงกว่าลายแทงมากแต่บางขณะบางภูมิประเทศลายแทงก็จะทาให้เราค้นหาจุดหมายได้สะดวกกว่าแผนที่สากล มันขึ้นอยู่กับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมครับอเมริกันทั้งสี่และเชิดวุธไหวตัวเริ่มให้ความสนใจกับลายแทงเก่าแก่ฉบับนั้นทันทีหัวหน้าคณะขออนุญาตจากเขาคว้าเอาไปกลางแผ่ตรงหน้าของตนและพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนเชิดวุฒิคริสตินาอิสเบรและคีตเข้ามาชะโงกรุมดูพร้อมกันระพินไม่มีอะไรปิดบังพวกนั้น จะดูก็ดูไปเพราะรู้ว่าจะยังไงซะก็อ่านไม่ออกแล้วก็ยากที่จะเข้าใจไดม้มันก็เหมือนของเด็กเล่นนะแต่ลักษณะของมันก็เก่าแก่จริงๆแ่แหละสแตนลีพึมพำออกมาเบาๆแล้วเหลือบมองดูหน้าเขาซึ่งบัดนี้จุดบุรีสูบเงียบๆใช้ความคิดงิรพินถ้าทายไม่ผิด ลายแทงฉบับนี้ใช่ไหมที่คุณใช้ในการติดตามคนหายแล้วก็ได้ตัวกลับคืนมาในตอนนั้นอะ่ะก็อาจจะใช่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใชมากกว่าคือตอนนั้นเรารู้ว่าคนที่หายสาบสูญไปอะ่ะได้มุ่งตรงไปยังจุดจุดหนึ่งอันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่สากลมันเป็นดีเนอร์ลี้ลับ ทางฝ่ายผมก็มุ่งตรงไปที่จุดนั้นเช่นกันพอเราพบจุดเราก็พบคนที่หายสาบสูญครับนี่คุณผมดูไม่ออกเลยนะจากลายแทงโบราณแผ่นนี้เห็นคุณเอามาเทียบกับแผ่นที่ของเรามันมีส่วนใต้เคียงกันบ้างไหมกระพินอเมริกันอาวุโสถามมาอีกอย่างคนฉลาด ด ok ็อกเตอร์ครับบางจุดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่อาจจะตรงกันอย่างเช่นพิกัดหมายเลข04243อันเป็นตำแหน่งห้วยสือร้องเท่าที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของคุณมันก็ตรงกับหุบเขาบริเวณนี้ของลายแทงแผ่นนั้นครับภูมิประเทศแวดล้อมอื่นๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ลักษณะของขุนเขาอันเป็นสิ่งถาวรย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้ แล้วเมื่อทางคุณขีดเส้นขึ้นไปตามองศาเหนือจากบริเวณนี้เมื่อเทียบกับลายแทงมันก็ชี้บ่งบอกเหมือนกันว่าจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตอยู่บ้างพอจะใช้มาประกอบเหมือนกันอ่านะครับพวกคุณก็อย่าไปสนใจอะไรกับลายแทงนั่นเลยดูแล้วมันก็เป็นสิ่งไร้สาระมากเรามาพิจารณาแผนที่ฝ่ายคุณแล้วก็ยึดเป็นหลักใหญ่ดีกว่าครับ พร้อมกับพูดระพินก็แบมือขอคืนสแตนลีย์ส่งคืนให้โดยดีจอมพรานม้วนพับลงใส่ย่ามหลังของเขานี่ระพินขอถามมกสักครั้งเถอะภูมิประเทศต่อไปนี้นักกันดานมากเหรอเราจะพบชมรมของมนุษย์ชาวป่าชาวดอยอีกบ้างไหมคุณอิสเบลเป็นผู้ถามเบนครับ ผมนไม่อยากจะพูดบ่อยๆนะครับว่าแล้วพวกคุณจะได้เห็นเองซึ่งคำพูดแบบนั้นน่ะมันท้าทายเกินไปรวมทั้งไม่ประสงค์ดีด้วยแต่ก็อยากจะขอย้ำให้ทราบอย่างมิดครับว่าเส้นทางต่อไปนี้น่ะมันอันตรายขีดสุดจากภัยที่จะมาในรูปแบบต่างๆอันไม่อาจจะคาดคะเนได้ล่วงหน้าบางทินมันอาจจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์ พอจะอาศัยประทังชีพได้แต่บางทีเดินสามสี่วันยังไม่พบอาหารหรือแหล่งน้ำมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งชุ่มชื้นแล้วก็แห้งแล้งพอๆพกะับทะเลทรายเพราะฉะนั้นผมขอความมั่นใจอีกครั้งครับเขาเว้นระยะการพูดมองหน้าฝ่ายนายจ้างทุกคนไปตามลำดับ ผมเคยถามมาแล้วนะครับว่าพวกคุณมีเครื่องมือเครื่องประทังชีวิตมาด้วยพร้อมกันจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราขาดน้ำหรืออาหารเพราะถ้าไม่งั้นเราจะยิ่งลำบากมากทีเดียวหัวหน้าคณะพยักหน้าไปทางอิสเบรและคริสบอกเบาวๆว่าเอาอาหารและน้ำสำเร็จรูปออกมาให้ระพินเห็นสิ พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้ให้เขาอุ่นใจซะก่อนได้เลยคริสติน่าหันไปทางเครื่องหลังส่วนตัวของหล่อนควักโอหอพลาสติกขนาดจ้มย่อมสีเขียวทหารออกมาห่อหนึ่งซึ่งติดอยู่ในย่ามหลังของหล่อนประจําอยู่แล้วแกะออกสิ่งแรกที่หลอนส่งให้เขาเป็นลักษณะเหมือนยาเม็ดแบรนกลมขนาดโตกว่าแอสไพรินเล็กน้อยสีน้ําตาลอ่อน รพินรับมาดูอย่างงงๆเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นะไม่ใช่อาหารนะแต่เป็นเครื่องช่วยพลังงานทางร่างกายก็คล้ายๆอาหารเช่นกันปราศจากกากถ้าเกิดภาวะจำเป็นจริงๆโดยปราศจักอาหารในสภาพของมนุษย์ธรรมดากลืนหรือเคี้ยวเพียงหนึ่งเม็ดจะทำให้รู้สึกอิ่มได้เป็นเวลาถึง12ชั่วโมงมีโปรตีน คาร์บเรตกลูโคสแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นต่อพลังงานของร่างกายพร้อมนี่เป็นตัวอย่างเฉพาะที่ติดอยู่ในเครื่องหลังส่วนตัวของฉันเท่านั้นนะแต่เรามีมากพอสมควรชนิดที่จะประทังชีวิตคนทั้ง2ี่คนของพวกเราโดยไม่ต้องแตะต้องกับอาหารใดๆได้ไดนานนับเดึกนจอมพรานผิวปากยาว ดอกอาหารสำเร็จรูป น, นั้นขึ้นขึ้นลงลงในมือขอบคุณครับที่เพิ่งจะมาเผยไตกันเอาเดี๋ยวนี้อแล้วเรื่องการขาดน้ำดื่ม่ะคริสติน่าส่งสิ่งที่ไมีลักษณะเม็ดแบบแคปซูลใสๆเหมือนน้ำมันตับปลาอีกชนิดหนึ่งให้อ่ะนี่คือเครื่องสร้างน้ำให้แก่ร่างกาย ในทันทีที่มันตกถึงกระเพาะอาหารช่วยในด้านกระหายน้ำให้ความชุ่มชื่นแก่ร่างกายไม่ต่ากว่า12ชั่วโมงต่อหนึ่งเม็ดเช่นกันแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ควรจะใช้เพราะมันจะไม่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายในระยะยาวนานต่อไปผิดกับอาหารและน้ำสะอาดตามธรรมชาต <c oughs> วิวิเศษวิเศษระพินยิ้มออกมาได้อย่างยินดี ผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่เอาออกมาใช้แต่ความจำเป็นอย่างมากที่สุดซึ่งอาจจะขาดอาหารหรือน้ำอย่างมากก็ไม่เกิน 3-4 สี่วันเท่านั้นแหละและหลังจากนั้นเราก็จะต้องได้อาหารและน้ำอีกวันยังข้าในระยะที่บุกบั่นกันไปสำคัญให้มีอุปกรณ์เข้ามาแก้ไขตอนภาวะวิกฤตพอประทับประทังไปได้ก่อนระยะหนึ่งเท่านั้น นี่ผมไม่สงสัยเลยนะว่าทําไมพวกคุณจึงพิชิตอวกาศหรือเหยียบดวงจันทได้พวกคุณก้าวหน้ากันในด้านวัตถุและวิทยาศาสตร์ล้ายุคอย่างนี้นี่ล่ะฮ <c oughs> พูดเนบเชิดเฉียดให้ต้องคิดอีกแล้วคุณทําไมก้าวหน้าในด้านวัตถุและวิทยาศาสตร์แต่จิตใจเรายังไม่ก้าวหน้างั้นกันมังคริสติน่าย น, นี่ อย่าหาเรื่องจับไว้จับพลิบกันนแม็กมากนักเกินไปสิคุณผมนี่ไม่ได้หมายความไปถึงขนาดนั้นหรอกคุณนะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ไวเกินไปคริสต่อไปนี้จงใช้ความฉลาดของคุณมาร่วมมือกับผมและพวกเราทุกคนแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่าที่จะใช้ในการต่อลอดต่อเถียงอะไรกับผมดีกว่าเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นหรอก รอนมองดูเขาด้วยหางตาเหมือนจะค้อนแต่ก็ไม่เชิงเพียงแต่สงบปากไปเท่านั้นอิสเบลนถามมาอีกว่านิรพินสมัยที่คุณบุกปากันดานแถบนี้ในยุคก่อนคุณผ่านพ้นรอดตายมาได้ยังไงสุภาพบุรุษไพร ย, ยักษ์ไหลยิย้มแขค่แแค่ผมก็ยังอดประหลาดใจมาจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหมือนกัน ว่าผมและบรรดานายจ้างในครั้งนั้นรอดตายมาได้อย่างไรซ้นยังสําเร็จซะด้วยถ้าคุณเชื่อในเรื่องโชคหรือดวงมันก็อาจเป็นได้ว่าโชคของพวกเราทั้งหมดยังดีอยู่แล้วมั้งแต่ผมกล้าพูดว่าเราก็เกิดตายกันแทบทุกคนแล้วคนละหลายครั้งด้วยบางครั้งนะ่าอดทั้งน้ําและอาหารติดต่อกันตั้งสองสามวันจนไม่มีแรงเดิน แต่แล้วในวินาทีที่เรากำลังจะแย่กันจริงๆก็เหมือนกับว่าพระเจ้ายังช่วยเราอยู่ไม่ใครก็ใครสักคนนึงพอจะหาอาหารมาเลี้ยงดูแบ่งปันกันได้หรือบางขณะเราก็ต้องขุดพื้นดินลงไปเพื่อแสวงหาน้ำนี่คุณคุณรู้ไหมไอ้น้ำที่ไหลซึมออกมาจากพื้นที่เราขุดนะ่ะมันมีสีเหมือนโอนติ่ง เราก็ยังต้องดื่มเพื่อกันตายชั่วคราวเลยคุณแล้วเขาก็ถอนใจผมจะไม่บุกบั่นไปในเส้นทางนี้อีกเลยถ้าไม่ใช่เพราะความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกวับความปลอดภัยของประเทศชาติผมเช่นที่จำเป็นจะต้องนำทางพวกคุณมาในครั้งนี้ใจจริงก็คงคิดอยากจะหัดหัน ห, หลังกลับเต็มทีแล้วสินะ คริสติน่าเอ่ยขึ้นลอยๆอยานใหญ่ก้มศีสะลงดวงตากล้านเกรียมของเขามองฝาไอแดดยามเช้าออกไปยังราวป่าทํามนทึบที่เห็นลิบลิอยู่เบื้องหน้าใช่คุณถ้าไม่โกหกกันใจจริงผมนะ่ะเป็นเช่นนั้นแต่คนอย่างผมลงได้ลั่นวาจาให้สัจจะไว้แล้วเช่นนี้ แม้ใจจะอยากกลับสักขนาดไหนผมก็จะต้องรุดหน้าต่อจนกว่าสองอย่างจะมาถึงสำเร็จในผลงานหรือมิฉะนั้นก็ดับชีพลงซสี ก, ก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องเกรงผมจะบายเบียงหลบหนีท่อท้งพวกคุณไปเอาละผมคิดว่าตอนนี้มันก็สายมากแล้วใครมีปัญหาอะไรอีกไหม ทุกคนไหวตัวทันที